เพื่พากันตั้งใจทำสมาธิภาวนาการที่เราได้มาชุมนุมกันในสถานที่นี้ควมุ่งหมายก็เพื่อมาฝึกผลกายวาจาใจของตน ให้สงบประ ง, งับจากกิเลสว่าประธรรมต่างๆที่มันมีอยู่ในดวงจิตของตนของตนการปฏิบัตินี่มันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องทำไม่ทำไม่ได้ทำไมจึงว่าไม่ได้เมื่อไม่ปฏิบัติ ไม่ฝึกตนกิเลสตัณหามันก็หนาแน่นขึ้นในจิตใจไม่เบาวางลงไปเมื่อกิเลสหนาขึ้นไปเท่าไรคนเราก็ทำความดีได้น้อยลงทำความชั่วได้มากขึ้นมันก็เป็นอย่างนี้เนะี่ยชีวิตความเป็นมาในโลกสนิวัตอันนี้ ทุกคนนั้นน่ะอบเอากิเลสติดตัวมานับชาติไม่ทวนแล้วการที่เราจะได้มาท่องเที่ยวเกิดตายอยู่ในวัฏฏะรงสารอันนี้ก็เพราะกิเลสนี่แหละเป็นมูลเหตุ เ, เมื่อมาแงะเงี้ดูแล้วร่างกายอันนี้ก็ไม่ใช่ของเรา เป็นมรดกของมารดาบิดาทั้งหากอาศัยบุญกรรมนำมาปฏิสนธิในท้องของมารดาอาศัยธาตุของมารดาบิดาให้เกิดขึ้นแต่มีบุญกรรมเป็นเครื่องตกแต่ง เมื่อมันหมดเหตุปัจจัยเหล่านี้แล้วรูปร่างอันนี้มันก็แตกสลายลงสู่พื้นดินไม่มีอะไรเป็นตัวตนเราเขาซักหน่อยเดียวปัญหาใหญ่มันก็อยู่ที่ดวงจิตดวงเดียวนี้เองในดวงจิตดวงนี้มันถ้ามันละอุปาทานในขันธ์ทั้งห้านี้ไม่ได้ มันก็จะต้องใช้ขันห้านี่ทำดีบ้างทำชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วนี่นะมันก็พาดวงกิจนี้เล่ล่นไปในสงสารเกิดในที่ต่งตางๆตามลักษณะอาการแห่งกรรมนั้นๆน mm. ก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละเมื่อบุคคลใดไม่ปฏิบตปธรรมไม่ฝึกตนแล้ว ก็จะตกเป็นธาตุของกิเลสตันหากิเลสตัหามันก็พาให้ทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างเมื่อทำกรรมชั่วมากกว่ากรรมดีตายแล้วก็ไปสู่อาบัยภูมิท้งสี่มีนรกเป็นตน้นถ้าทำกรรมดีมากกว่ากรรมชั่วก็ยังชั่วหน่อย มันก็คงจะไม่ไปถึงไปอบายภูมิทั้งส mm. ี่พอความชั่วที่ทำนั้นพอเป็นกระืสทำให้คนเรานั้นได้หลงหลงหลงกิเลสตัณหาที่มันยังหมกหมมอยู่ในจิตใจนั้น mm. นี่แหละ อันบุญกุศลเป็นส่วนโลกีเนี่ยมันหมกหมุ่มอยู่ด้วยกิเลสตัณหาเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้คนเรานั่นไอ้เรื่องทำแต่บุญกุศลอันที่มันไม่แทรกอยู่ด้วยกิเลสตัณหาด<ม>ังันผู้ครองเรือนทั้งหลาย ส่วนว่าทำบุญกุศลมันก็แทรกอยู่ด้วยกิเลสตัณหาทั้งนั้นแหละ <c oughs> มันปาราบถึงความสุขสนุกสนานต่างๆขึ้นมาบางคนก็มุ่งหวังให้คนเขาสรรเสริญเยินยอว่าตนเป็นคนใจบุญคนมีบุญหลาย ก็มีคนยกย่องสรรเสริญมากเมื่อมีคนยกย่องสรรเสริญก็ดีอกดีใจแต่กล่งกันข้ามถ้ามีคนนินทาติเตียนแล้วก็เสียใจไม่พอใจอา่าจิตใจของบุคคลผู้ตกอยู่ใต้อํานาจของกิเลสตัณหามันก็เอียงไปเอียงมาอยู่อย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้น่ะมันถึงเป็นปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขไม่ใช่ว่าชีวิตนี่ไม่มีปัญหามันมีปัญหามากมายในความแก่ความเจ็บป่วยไข้ต่างๆหมดนี่นะเมื่อหากว่าบุคคลใดไม่ได้พิจารณาเสมอเสมอไม่รู้เท่ามันก็เป็นปัญหา ทำให้จิตใจยุ่งเหยิงทำให้จิตใจกระวนกระวายเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้แหละอย่นี้พายในจิตใจนั่นถ้าหากว่าไม่เพียรพยายามน้อมลงสู่ความสงบใจไม่สงบก็ตกเป็นธาตุธาตุของของตัณหาอตัณหามันก็ฉุดไป ให้คิดอยากได้อะไรต่ออะไรในโลกไม่มีสิ้นสดุด <c> เ <oughs> <c oughs> มื่อมันคิดมากเข้ามากเข้าอย่างนี้มันยับยั้งความคิดตัวเองไม่ไหวมันก็ไปทำชั่วนั่นแหละวันนี้คนเราอะ่ะนั่นเนี่ยถ้าเป็นพระภิกษุสามนเณรก็ร่วงทรร่วงวินยัยนั่นเนี่ย ถ้าเป็นครืหัดผู้คลองเรือนเกาะร่วงศิลร่วงธรรมของครืหัตไม่สามารถจะรักษาศิลธรรมอันดีงามไว้ได้นี่โทษของกิเลสตัณหาโทษของบุคคลผู้ปล่อยใจให้ตกเป็นทาตของมันขึ้นชื่อว่าอาวิชชาตัณหาแล้วมันไม่ได้ปรารถนาให้คนได้ดิบได้ดีอะไรเลย มีแต่จะสุดคล้าไปสู่ห่วงแห่งกองทุกข์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรประมาทควรพากันทำความเพียรอันนี้แหละที่ว่าคนเราเนะ่ะเกิดมาในโลกนี่มันจำเป็นต้องปฏิบัติธรรมนะมันก็มีเหตุผลดังกล่าวมานี่เลย คำสอนของพระเจ้านั้นไม่เป็นเรื่องบังคับให้คนทำเป็นเรื่องที่ชี้แจงเหตุผลสู่การฟังถ้าผู้ใดรู้แจ้งในเหตุผลนั้นแล้วก็จะพอใจปฏิบัติทมถ้าใครยังไม่รู้แจง้งหรือว่ารู้อยู่แต่ไม่ยอมไม่ยอมที่จะละตัณหานั้น ไม่เบื่อต่อตัณหานั้นอย่างนี้ถึงรู้อยู่มันก็ไม่สามารถจะปฏิบัติตามธรรมนั้นได้เช่นนี้ลหละจิตใจของคนเรานะให้เชิาพากันสังเกตดูจิตใจของตนของตนมันตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอะไรบ้างนี่มันควรจะรู้ เรื่องอย่างนี้นี่ไม่มีใครรู้ให้ใครได้ตนเองแหละภาวนาน้อมสติเข้าไปสำรวมจิตใจให้แน่วแน่ลงไปแล้วมันมันรู้อรู้กิเลสอันหมักหมมอยู่ในจิตใจตัวเองมากน้อยเพียงใดมันก็รู้อ่า อ, อย่างนี้แหละถ้าบุคคลไม่ภาวนาไม่ ส, มสำรวมจิตเข้ามาภายใน ไม่ทําจิตให้สงบก่อนปัญญาก็ไม่เกิดก็ไม่สามารถที่จะรู้เรื่องราวของกิเลสได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตเนี่ยก็ส่วนมากก็มักจะไหลไปตามอํานาจของกิเลสกิเลสมันมีทั้งดีทั้งชั่วว่อนี้นะกิเลสพาให้ดีก็มีกิเลสพาให้ชั่วก็มีอย่างนี้ถ้าบุคคลที่ ไม่ได้ฝึกฝนจิตใจนี่มันก็เลือกไม่ได้เลยเจอดีกระทำดีเข้าไปเจอชั่วก็ะทำชั่วเข้าไปเออเป็นอยู่อย่างนี้เด็เพราะฉะนั้นการภาวนานี่จึงชื่อว่าเป็นการคัดเลือกอเป็นการคัดเลือกระหว่างบุญกับบาป ถ้าหากว่าบุคคลใดมาเพ่งพิจารณาดูจิตของตนอยู่แล้วก็รู้ได้ว่าจิตของตนเคยคิดเรื่องบาปอะไรขึ้นมาบ้างเช่นนี้ย่อมรู้ได้นั่นเนี่ยคนอื่นนั้นไม่สามารถที่จะมารู้ให้เราได้นอกจากท่านผู้มีอภิน ญ, ญานอันวิเศษเท่า น, นั้นถึงจะรู้ ว่าราจิตความคิดความนึกของตนดังนั้นตนของตนนี่แหละพึ่งเพ่งพิจารณาตนให้รู้เรื่องราวของตนเองให้ได้เมื่อรู้ได้แล้วมันจะได้ดูจักคัดเลือกส่วนนี้เป็นบาปเมื่อมันรู้แล้วมันก็จะไม่ทำไม่พูดไม่คิดต่อไป เมื่อมันคิดว่าอย่างนี้เป็นบุญเป็นกุศลการทาใจไว้อย่างนี้เป็นการทาใจไว้ในบุญในกุศลการทาใจไวอย่างนี้เป็นการทาใจไว้ในบาปอากุศลต่างๆเช่นนี้แหละต้องคัดเลือกจัดสรรอย่างนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว จิตใดที่มันตั้งอยู่ในบาปอกุศลเราก็กำหนดละมันเมื่อเมื่อรู้มันแล้วนี่เมื่อรู้มันมันก็ละมันได้แต่ที่ละมันไม่ได้ก็เพราะมันไม่รู้มันต่างหากเรื่องมันนะที่ไม่รู้ก็เพราะว่าตนไม่เบื่อไม่เบื่อต่อกิเลสไม่สนใจอยากพิจารณามันไม่สนใจอยากจะรู้เรื่องของกิเลสพูดง่ายง่มั้ะ น, นั่นแะเมื่อไม่สนใจอย่างนั้นมันก็แสดงว่าพอใจกับกิเลสกิเลสมันก็ฉุดให้คิดให้ปรุงให้แต่งไปทั่วเมือ่อมุ่งมัวจะส่งใจไปทางอื่นก็เลยไม่รู้เรื่องของตัวเองนี่มันเป็นอย่างนี้คนเรานะไม่รู้เรื่องของตัวเองก็เท่ากับว่าไม่รู้เรื่องของบุญของบาปนั่นเองแหละ ดังนั้นเนี่ยการที่ฝึกหัดสติสมบัติเชนยะน้อมจิตเข้ามาตั้งอยู่ภายในไม่ให้มันคิดสงสัยออกไปข้างนอกนั้นนะจึงชื่อว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อกำจัดกิเลสป่าประธรรมออกจา ก, ก จ, จิตใจได้โดยแท้ เนื่องจากว่าบุคคลเป็นผู้รู้จักทวนกระแสจิตเข้ามาภายในมันก็มาเห็นกิเลสแลวใจมันมีกิเลสอยู่อย่างไรมันก็เห็นอย่างนี้แหละให้พึ่งพากันเข้าใจที่พระศาสดาทรงตรัสสอนไว้นั่นว่าอะติตังนานวาขเมยะนปติกังเข อ, อนา伽ตัง เป็นต้นซึ่งแปลเป็นใจความว่าผู้มีปัญญาไม่ควรที่จะคิดถึงคำานึงหาอารมณ์ที่ล่วงมาแล้วและไม่ควรคิดคำานึงไปในเรื่องที่ยังไม่ได้ไม่ถึงผู้มีปัญญาย่อมมาพิจารณาธทรรม อันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นในปัจจุบันนี้แหละอันไม่งอนแงนอันไม่คอนแขนนี่นางที่ได้อธิบายมาแต่ตอนหัวค่ำนั้นแหละ <c oughs> เมื่อบุคคลใดมาเข้าใจหลักนี้แล้วนะ มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ลำบากเท่าไรนักบ่เนี้เมื่อรู้ว่าการส่งจิตไปในอดีตอนาคตเป็นทางผิดแล้ววันนี้เราก็มาทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี้เพ่งกายนี้เป็นอารมณ์อยู่ในนี้เพ่งกายนี้เป็นอารมณ์เพ่งเวทนาเป็นอารมณ์เพ่งจิตเป็นอารมณ์เพ่งความคิดความนึกของจิตเป็นอารมณ์ไม่มีผิด ถ้ามาเพ่งอยู่ในนี้น ะ, ะนั่นแหะไม่มีผิดเลยเนื่องจากว่าพระศาสดาทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายโน้มสติเข้ามาเพ่งอยู่ในกายเป็นต้นดังกล่าวมานั่นน่ะนี่แหละเป็นอุบัยวิธีฝึกสติสำปัชญะญญอันเป็นไปในทางกุศลอันเป็นไปเพื่อละกิเลสบาปธรรมต่ า, า, างๆ ความจริงเนี่ยทุกคนก็มีสติประจําตัวอยู่ทางนั้นแหละแต่ว่าส่วนมากสติที่ไม่ได้กันกองไม่ได้ฝึกหัดแล้วมกักจะระลึกไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ทางที่เป็นโทษนั้นมากกลัวเป็นคุณเป็นประโยชน์ไปอย่างนั้นเพราะว่าสติเช่นนั้นนะมันไม่ได้อบรม อ, อใจให้เป็นสมาธิไม่ได้บันเทาตัณหา ให้น้อยเบาบางไปจักจิตใจเพราะฉะนั้นตัญหามันก็ผลักดันให้นึกให้คิดไปตามกระแสของมันเองเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระศาสดาจึงให้ทวนกระแสจิตที่มันตกไปในอดีตในอนาคตเข้ามาสู่ปัจจุบันนี้เมือ่อเมื่อใจน้อม สติน้อมใจลวมลงสู่ปัจจุบันนี้ได้แล้วอันนี้เรียวกว่ามันเป็นการสำรวมจิตเบื้องต้นมันก็ยังไม่มั่นคงแหละแต่เมื่อเราตั้งจิตได้แล้วนี่ก็พยายามตั้งสติประคองจิตนั้นไว้ให้ดีแล้วก็เพ่งอยู่ที่กายนี่ เพ่งอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ลายลมหายใจนี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอเมืองมันนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของธาตุซีอย่างนี้แหละดังนั้นเมื่อเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แล้วมันก็เห็นธาตุดินเห็นธาตุน้ําธาตุไฟเหมือนกันนะเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันนี่เนืองมันนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยที่พระศาสดาทรงสอนให้ตั้งสติเพ่งดูอาการของร่างกายดังกล่าวมาก็เพราะว่าจิตใจมันแต่ไหนแต่ไรมาแต่ชาติใดพบใดที่ร่วงแล้วมามันก็มาหลงถือว่าแต่รูปกายอันนี้เป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างเนี้ยมันหวงอยู่เนี้ยไม่ยอมให้ใครว่า กล่าวตักเตือนไม่ใครไม่ยอมไม่ใครยกโทษตีเตียนแม้แต่น้อยเดียวพอใครยกโทษตีเตียนเข้ามาแล้วก็จิตใจก็ว่าวุ่นขึ้นมาเลยหาทางตอบโต้กันไปก่อกรรมก่อเวรต่อกันและกันไปนี่อันจิตใจที่มันยึดมั่นถือมั่นนะอยู่ในขันห้านี้เนี่ยมันหวงอะ่ะ มันไม่อยากให้ใครมาแตะต้องในทางที่ไม่ชอบใจเลยชอบใจแต่คำสรรเสริญเยนยอคำนินทาไม่ชอบอย่างนี้ก็ผิดทางมันต้องมันต้องไม่ชอบทั้งสองอย่างมันจึงถึก ถ, ถูกต้องสรรเสริญก็ไม่ชอบนินทาก็ไม่ชอบ คือว่าไม่ชอบในที่นี้หมายเขาว่าไม่ยึดถือเอาไว้นั่นเองไม่ใช่ว่าเกลียดโกรธไม่ยึดถือเอาไว้นั่นก็แสดงว่าไม่ชอบแหละถึงไม่ยึดถือเอาถ้าหากว่าชอบแล้วมันก็ต้องยึดถือเอายึดถือเอาไว้ด้วยความยินดีบ้างด้วยความยินร้ายบ้างด้วยความกโกรธบ้างขุนเคืองบ้างอะไรหมู่นี้แ่ะ โดยความเศร้าโศกบ้างนี่จิตใจที่มันเศร้าโศกเกิดขึ้นในข่าวสังขารในวิบัติแปรปวนมันกบเป็นลักษณะอาการแห่งความยึดถือทั้งนั้นเลยให้พึงพากันเข้าใจนี่แหละความมุ่งหมายของการภาวนานะนี่เพียงแต่เนวะที่ เนืเหตุผลแห่งการภาวนาสู่การฟังสำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าใจเหตุผลของเรื่องการปฏิบัติธรรมภาวนานี่ก็มีอยู่ทำไปตามเพื่อนอย่างนั้นก็มีแต่ไม่รู้จักความหมายเมื่อเพื่อนไม่ทำแล้วตนก็ทำไม่ได้วันนี้นะเอาเพื่อนว่านี่เรื่องมานนะทีนี้ถ้าเอาผูใ้ใดศึกษา ให้เข้าใจเหตุผลของการภาวนาดังชี้แจงให้ฟังมานี่แล้วใครจะทำหรือไม่ทำก็ช่างตนก็ทำให้สมมเสมอไปอยู่งั้นแหละถ้าหากว่าไปทาให้เป็นรักเป็นอนแล้วมันก็เท่ากับว่าเปิดช่องให้กิเลสมันโผล่หัวขึ้นมาอย่างนั้นแหละทีนี้ถ้าหากว่าเราปฏิบัติ ให้มันต่อเนื่องกันโดยอาศัยสติสมัชญญยตระลึกถึงข้อปฏิบัตินี่ให้ได้เสมอทุกอิริยาบถคือยืนเดินนั่งนอนกินดืม่มพูดจาทำธุรกิจการงาน ใ, นใดๆก็ไม่ลืมตนไม่ลืมสังขารอันนี้กำหนดเพ่งพิจารณาอยู่เช่นนี้แล้ว มันก็ไม่หลงเลยวันนี้นะมันก็ไม่หลงไปในทางที่ผิดแหละไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายไม่หลงเสียใจเศร้าโศกต่างๆมมู่มนี้นะเพราะว่ามันมองเห็นแล้วว่าไม่ใช่ของเราหล้วมันจะไปเสียใจดีใจทำไมวันนี้นะถ้ามันรู้ว่าเป็นของเราอยู่นั่นแหละมันถึงได้เสียใจดีใจเมื่อถึงมันค่าวมันวิบัติมา <c oughs> หรือเมื่อมีใครยกโทษตีเตียนเข้าไปเสียอกเสียใจอย่างแรงโมนีรู้แต่เป็นเรื่องยึดมั่นถือมั่นทางนั้นแหละให้สังเกตดูจิตใจของตัวเองถ้าหากว่าเจริญวิปัสสนามันได้ผลจริงอย่างนี้นะมันคลายความยึดถือจริงอย่างนี่ เวลามีเหตุดังกล่าวมานั้นแล้กระทบกระทั่งกันมามันก็ไม่ตื่นเต้นไม่วนว้ไม่เสียใจเศร้าโศกมันก็สงบระงับอยู่ได้มีสติสมบัติเชัญนญี้รู้เท่าทันมีปัญญามองเห็นคำสรรเสริญนินทางต่างนั่นเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลย อย่างนี้แหละถ้าผู้ใด ย, ยังขืนยึดมั่นถือมั่นในขันห้าไี้อยู่ด้วยอานาจแห่งกิเลสดังกล่าวมานั้นก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นเลยไม่ใช่เป็นทุกข์เฉยๆวันนี้มันยังใช้กายวาจานี้ทําดีบ้างทําชั่วบ้างดังกล่าวมาแล้วแต่ตอนต้นนั้นเลยคำดีกรคำชั่วผัดพาไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปอยู่อย่างนี้แนะเพราะฉะนั้นผูดด้ใด มาทราบอย่างนี้เราเพิ่งพิจารณาให้เห็นโทษแห่งความเกิดเมื่อเกิดขึ้นมามีรูปมีนามนี่มาแล้วความแก่มันก็ติดตามมาความเจ็บไข้ได้ป่วยโรคไข้ไข้เจ็บมันก็ติดตามมาเบียดเบียนเอาอย่างนี้แหละถึงไม่อยากได้มันก็ต้องจำต้องได้ไม่อยากมีมันก็จำต้องมีเพราะกฎธรรมดามัน มันเป็นมาอย่างนั้นแล้วเราจะไปฝืนกฎธรรมดาไม่ได้เลยนี่เพราะฉะนั้นการภาวนานี่พระาศาสดาจึงได้ทรงสอนให้บำเพ็ญข้อปฏิบัติให้เป็นวงจรนะต่างฝ่ายต่างก็สนับสนุนซึ่งกันและกัน ทานก็สนับสนุนศินสินก็สนับสนุนภาวนาอภาวนาก็สอนจิตบะนี้นะเมือม่อเมือ่ออบรมจิตให้เกิดปัญญาแล้วนะบะนี้อปัญญ า, าก็มาสอนจิตไทยละอุปทานความยึดมัน่นถือมั่นในขันห้าเป็นตัวพินตนนี่มันมันมีความหมายอย่างนี้แหละการเจริญสมถาวิปัสสนานะ ถ้าคนเราไม่มีปัญญาแล้วจะไปเอาอุบายอะไรที่ไหนมาสอนใจตัวเองได้ให้รู้แจ้งเห็นจริงในทางของจริงได้นั่นแหละการที่ผู้ที่จะสอนจิตตัวเองได้มันก็ต้องอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นก่อนเป็นอย่างนั้น <c oughs> บุคคลที่ บกพร่องทางปัญญานั่นแหละถึงพ้นทุกไปไม่ได้ได้แก่พวกเราเจ้าข่านี่แหละไม่ต้องไปเพ่งเล็งถึงผู้อื่นเลยเราทุกคนนี่แหละได้ชื่อว่ายังไม่ฉลาดพอจะว่าไม่ฉลาดเสียเลยก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าการที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีอัตภาพร่างกายสมบูรณ์อย่างนี้นยะ แต่ชาติก่อนก็ได้ทำความดีมาได้ให้ทานเข้าของเงินทองมามการที่จะบุคคลจะมีที่อยู่ที่อาศัยอย่างมั่นคงท้าวรอนได้อย่างนี้ก็แต่ชาติก่อนก็ได้สร้างอาคารสถานที่ถวายสงบ้างถวายเป็นสาธารณประโยชน์บ้างอะไรโมนี้นะนั่นแหละต้องได้ทำมาไม่มากก็น้อยแหละ คนอันนั้นมันจึงมาปรากฏว่าเกิดมาแล้วมีบ้านมีช่องอยู่มีเรือนอาศัยไม่ได้ไม่เป็นคนไร้ที่อยู่หมายเขาว่างั้นแหละ <c oughs> ก็เพราะอานิสงส์ที่ได้สร้างที่อยู่ให้เป็นทานมาแต่ในชาติก่อนนูน่นยอละเป็นอย่างนั้นอานิสงส์แห่งการที่คนเราเกิดมาแล้วปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ถึงแม้มีโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนก็ไม่รุนแรงออย่างนี้นะก็เพราะอา น, นิสงส์ศีลแต่ชาติก่อนนั้นก็คงได้รับศีลมาได้รักษากายวาจาไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมาแต่ว่าอินทรีย์บารมีเหล่านี้มันยังไม่มากพอมันยังไม่แก่กล้าพอมันถึงไปสวรรค์ไปนิพพานก็ยังไม่ได้ มันก็บุญกรรมอันนี้มันก็หมุนมาให้เกิดขึ้นมาเป็นคนขึ้นมาอีกมาก็มาผู้ใดมีบุญเก่าเป็นใสปัจจัยติดตามมาบุญเก่านั่นแหละเสมือนยออกเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเลยคอยกระตุ้นใจให้แสวงหาสินธรรมบุญกุศลนั่นแหละได้ยินข่าวว่านักปรารถนณฑิตอยู่ที่ไหนก็พากันดลดันไป ฮะ huh?